ก็เห็นว่าในคอร์สนี้มีการปูพื้นฐานมาดีแล้วก็เลยมาต่อยอดให้ท่านเองบทสวดมหาสติปัฏฐานสี่ที่พระอาจารย์เตรียมมานั้นหากพวกโยมได้สวดแล้วขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบาย <c oughs> ให้พวกเราเข้าใจคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก ขณะนี้จำนวนหนังสือไม่พอหากพวกโยมแบ่งกันอ่านโดยใช่หนึ่งเล่มตดอสองคนอย่างนั้นพอจะทำได้หรือเปล่าออาก็สวดไปแล้วนัเมื่อกี้เนาะเรื่องอธิบายคงก็งงอธิบายทุกวันอยู่แล้วในสองวันเนี่ยเรื่องอธิบายสถิติปรานสูตรเท่านั้นเลยนะแต่อธิบายเป็นภาษาเลยภาษาไทยจะ ย, ยกภาษาบาลีมาคงฟังไม่รู้เรื่องอ น, นะน ขัดชั่นโตะขัดชามีติปราชานาติเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่แต่ว่าตัวสำคัญที่เป็นกุญแจก็ตรงที่อาตาปีสัมปัญชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาตุพนัสังว่ามีความเพียรกำหนดรู้การเคลื่อนการไหวของมือของลมของผ้าสีของจิตอยู่ด้วยสัมปชาโนและสติมาคือด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้ว มีความรู้สึกปวดพร้อมและมีสติทำไมเอาสัมปชัญญขึ้นก่อนสติทำไมเอาสติสัมปชัญญะเวลาใช้ภาษาไทยใช่ไหมแต่เวลาไปสวดจะเอาสัมปชัญญะสตินี่คือเรามักจะใช้ตามความเคยชินของเราไม่มีสติสัมปชัญญะในสี่แต่สภาวะเขาต้องสัมปชัญญะสติการที่คุณจะหาไม่ขีดมาเนี่ยมันจะต้องมีตะเกียงและเทียนไขเตรียมไว้ก่อน ไม่ใช่คุณจะมาขีดเทียนไขหรือจุดไลเตอร์เล่นๆมันจะต้องเตรียมน้ำมันเตรียมเทียนขยไขไว้ก่อนถึงจะหาไม่ขีดใช่ไหมหรือหาฟืนหาไฟไว้เสร็จเตรียมพร้อมหมายความว่าต้องเตรียมเชื้อเพลิงที่จะรับไว้ก่อนคือสติสัมปญญะเป็นเชื้อเพลิงเป็นตะเกียงเป็นเทียนไขแต่สติเนี่เหมือนไม่ขีดไฟนะอีกที่หนึ่งนะอันนี้คือถามว่าอะไรสําคัญกว่ากักนระหว่าง ไม่ขีดกระเทนไขถามเหมือนเมื่อวานอีกแล้วหนักกระเบานะะเทนไขก็ไม่ขีดเตรียมวันไหนก่อนเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีอันนี้คือเขาเรียกว่าพุทธธรรมเป็นอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอัญญามันย์ญาปัจจัยนะก็ทุกจุดที่ท่านกล่าวไว้ละเอียดหมดนะ เวลาเราสวดโซสโตูวะอัสสสติสตูปัสะสติมีสติในขณะหายใจเข้าหายใจออกแต่น่าสังเกตว่าในส่วนที่เป็นลมหายใจได้มีสติท่านกำหนดเข้าออกระยะสั้นและยาวเท่านั้นในเรื่องว่ า, าที่ขังว่าอัสสสั้นตูทีขังอาัาสสสัมีิติประชานาติใช้เขาประชานาติคือให้รู้ชัดๆขณะหายใจเข้าหายใจออกหายใจสั้นหายใจยาว ในเรื่องของหายใจเนะี่ยแต่พอไปรู้ความรู้สึกกายทั้งปวงท่านไม่ใช้คําว่าประ ช, ระชานาติสภากายะปฏิสั่งเวทีอาศิสซามีติสิคติท่านใช้สิคติพึงศึกษาว่าตามรู้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยคือสมุยะศึกษาให้ศึกษารู้ชัดไม่พอต้องให้ คำว่าศึกษาหนึ่งหมายความรู้พร้อมหมดสัพพปัดสัมพยังกายาสะสร่างอาสสะมิติสิกติคือศึกษาว่าเราจะทำความรู้สึกกายสังขารเนี่ยให้สงบระงับในกรณีที่เรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันหนักใช่ไหมเราจะทำให้มันสงบระงับได้ไงปวดเมื่อยเราจะพริกรรมว่าปวดน้อปวดนอเนี่ยมันจะสงบหไหม เวทนาที่ที่ที่ตัวเราเนี่ยมันจะสงบได้ไหมคําว่าสงบหมายความว่าเราไม่รับรู้นะคําว่าสงบคือมันหายไปใช่ไหมลุกขึ้นอย่างงี้สงบละใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องว่าบริกรรมหรือไส้คาถาอาคมอะไรทั้งนั้นะไม่ใช่ภูมิทําอะไรเลยแต่ใช้อะไรใช้สติแค่นั้นลุกขึ้นสงบละเพราะฉะนั้นในส่วนของการดู ทั้งหมดเนี่ยในดีบทด้วยท่านกับไม่ใช้คําว่าประชา ต, ช ต, ติไม่ใช้สิกติแต่ไปใช้สัมปชัญญะการีใช่ไหมผู้ปฏิบัติเพิ่งมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับนะสัมปชาญการีแล้วก็อโลกิเตวิโลกิเตสัมปชาญการีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เหลียวซ้ายไหลขวา มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขาดหน้าที่สำ ม, มินชีเตเหยียดมือเข้าปาสาลิเตเอามือออกเพราะฉะนั้นถ้าใครมองคนบอกว่าเนี่ยที่ถึวงพ่อทนพุทเชนสอนน่ยมันไม่ ม, ไม่ไม่มีในพระไตรปิฎกแสดงคนนั้นอ่านพระไตรปิฎกไม่ออกก็คือตรงนี้ปฏิสำ ม, มินชีเตมีการเอามือเข้าแล้วก็เอามือออกปาสาลิเต ผมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการสร้างจังหวะอย่างงี้นนะเดีไปถ้าแปลส่วนตดีวไปมาจะใช่ว่าสร้างจังหวะไม่หยัดมือเข้าเอามือออกตามสํานวนในวลีแล้ว อ, อย่าเป็นแบบนั้นหนังสือตัวนี้มาแปลใช้มายีสบกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์ทั่วประเทศเพราะเราไม่ได้มีลิขสิทธิ์แต่ว่าเข้าไปพร้อมปนอะไรเยอะไปหมดเหมือนกันทุก ว, วันนี้นะอ้าวถามต่อมา นิมิต ท, ที่เราเห็นเป็นนามรูปชนิดหนึ่งใช่หรือไม่นิมิตอะไรอ่ะอืมเช่นว่าเห็นคําว่านิมิตมีสองอย่างนิมิต ท, ที่เป็นวิปัสนาและนิมิต ท, ที่เป็นสมถานนิมิต ท, ที่เป็นวิปัสนาก็คือเอาความรู้สึกตัวเป็นนิมิตเอาการเคลื่อนไหวเป็นนิมิตนนี้นิมิต ท, ที่เป็นวิปัสนาสัมผัสได้เลย แต่นิมิต ท, ที่เป็นสมาถะหมายถึงนิมิต ท, ที่เราสร้างจินตนาการขึ้นมาอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตสุญญาตานิมิตอะไรพวกนี้สร้างขึ้นมาอุคานิมิตคือนึกถึงดวงไฟใหญ่ๆแล้วก็เพ่งลงไปในดวงไฟนั้นนึกถึงลูกแก้วใหญ่ๆ ใ, ในลำตัวแล้วขยายเข้าออก สร้างกินตนาการขึ้นมาถามว่าสิ่งนั้นมีจริงไหมอันนั้นเป็นนามรูปนามรูปเป็นสมุทัยหรือเป็นนิโรธเป็นสมุทัยอย่ะอวิชาก็ให้เกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดนามรูปเป็นอวิชาเกิดด้วยอวิชาและจะบอกว่าไม่ถูกไม่ใช่นะเพราะหลักฐานเขาบอกอะ่ะอวิชากลายเกิดสังขารสังขารเกิดนามรูป นำรูปเ อ, อสังขารเกิดเกิดวิญญาณวิญญาณก็ใหเกิดนามารูปเพราฉนั้นเราสร้างนิมิตขึ้นมาสร้างนำมารูปสร้างสัญญาขึ้นมามันก็เป็นอวิชชาเป็นสมุรให้เกิดทุกข์น ะ, ะผ่านไปขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้ทางที่ปฏิบัติต่อจากนี้ให้เรียนรู้การแยกรูปแยกนาม เนการทํางานของขันห้าเพื่อจะดำเนินไปถึงการผลิต ก, การแยกรูปแยกนามเวลาเรานั่งเนี่ยรู้สึกหนักเป็นรูปหรือเป็นนามมันหนักที่จะพกเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามอ่าหนึ่งคำถามมีสองคำตอบละบางคนเป็นรูปบางคนเป็นนามรู้สึกหนัก หนักเกิดจากใจหรือจากกายถ้าเกิดจากกายเรียกว่ารูปนามถ้าเกิดจากใจเรียกว่านามรูปเนี่ยเพราะนั้นแยกรูปแยกนามแยกยังไงแยกถึงว่าถ้าเรารู้ขึ้นความหนักยังอยู่ไหมเรารู้ว่าลุกขึ้นไหมถ้าลุกขึ้นด้วยความไม่รู้เป็นเป็นอะไร เป็นอวิชานามรูปที่ประกอบด้วยอวิชาถ้ารู้ขึ้นด้วยความรู้เนือ้อรู้ตัวนามรูปนี้เป็นนามอาคือสตินี่แยกแล้วแยกเอาอะไรออกไปเอาความหนักออกไปความรู้คือนามก็ปรากฏแยกเอาหนักออกไปตัวรู้ปรากฏคือนามแยกออกมาละนี่วิธีแยกเราคิดสมมติเราคิดเรื่อง ของอดีตอนาคตคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคิดถึงบอยเกิร์แฟนเกิร์ที่บ้านแล้วเอาสติกำหนดรู้นารูปนั้นหายไปแล้วมีความรู้สึกตัวลว้ลวนๆเหลืออยู่แยกไหมแยกแล้วใครเป็นผู้แยกสติหรือปัญญาถ้าแยกรูปนามในฝ่ายรูปนามในฝ่ายกายใช้สติ แต่ถ้าแยกนามรูปในฝ่ายจิตใช้ปัญญาถ้าแยกอารมณ์ออกจากจิตใช้ญาณและวิปัสนาญาณความละเอียดมันต่างกันจะเอาสติไปแยกทั้งสามระดับไม่ได้เหมือนกับจะเอาเทียนไขเนี่ยไปส่องหาอของเล็กๆในร่างกายของเรานีนะส่องหาเชโลกเนี่ยไม่เห็นนะเอาไฟที่ไปส่องต้องไฟที่ มีความสว่างสูงขึ้นไปอย่างี้เพราะฉะนั้นความสว่างของความรู้สึกเนี่ยที่มันมีความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นชื่อมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความถี่ระดับสติความถี่ระดับสัมผััญญาความถี่ระดับสมาธิความถี่ระดับปัญญาความถี่ระดับญาณความถี่ระดับวิปัสสนาญาณนับตั้งแต่นามรูกปฏิเชธทยานไปถึงปเจเวขยาน อีกสิบหกต่อมาถ้าคนเราไม่มีพื้นฐานคือไม่รู้บาลีไม่รู้จักอริยมรรคไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้อะไรพวกนี้เลยแต่ถ้าคนนั้น <c oughs> ตั้งคาถามลักษณะเบิกอปของค่าอาจารย์ก็คือกำหนดกรรมฐานตามรู้ความคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดความพอใจไม่พอใจ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้บ้างแล้วก็กลับมารู้ตัวถ้าทำอยู่เท่านี้จะพ้นทุกและจะเกิดความเข้าใจหรือแยกกายเวทนาจิตธรรมรมแต้เอกในที่สุดหรือไม่หรือว่าเราควรสังเกตและจัดหมวดหมู่ของสิ่งปรากฏถ้าเราแค่รู้แค่เห็นแล้วถอดออกมาก็าพอ คำตอบสุดท้ายตอบแล้วนะแค่รู้แค่เห็นแล้วก็ออกมาใช่ไหมก็ไม่ต้องเข้าไปจัดการอะไรมันพอรู้เห็นแล้วเข <c oughs> าเรียกว่ามนโมมนทร ม, มนโนสำนึกเนี่ยมันรู้เองเหมือนว่ารู้เห็นเนี่ยเป็นไฟเนี่ยมันร้อนหดมือเข้ามาเนี่ยต้องใช้ได้ใช้ความรู้ไหมต้องใช้แยกไหมอะไรเป็นอะไร แม้แต่เด็กมันก็นยังรู้เลยใช่ไหมโอ้นี้ร้อนมือมันโหดโดยสัญชาติญาณลักษณะอย่างเงี้ยความรู้ระดับสันชัติญาณก็ใช้ได้แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วนะปัญญาระดับสันชัติญาณแต่การที่จะสิ่งนี้อันตรายมันโหดมือเข้ามาเนี่ยนี่ความรู้สันชาติญาณแต่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีแล้วก็โหดเข้ามายังรู้ตัวในระดับรูปนามแต่รู้ก่อนนะอ๋ออันนี้มัน เป็นอันตรายเราไม่เข้าไปใกล้แล้วไม่จําเป็นตัวไปพิสูจน์กับมันว่าเห็นว่ามันอันตราย mm hmm. ก็เว้นเทา่าน mm ี hmm. ้เห็นคนนี้อือคนนี้อารมณ์เสียโกรธบ่อยอารมณ์เสียอย่าเข้าไปยุ่งแล้วห่า ง, งเขาอย่างงี้นะอันนี้ก็แค่ดูแค่เนี้ยก็รู้ละโดยสัญชาตญาณมันบอกเราโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องใช้ยานปัญญาอะไรมากก็ได้นะแต่ถามว่าไม่รู้บาลีเรื่องเหล่านี้อริยสัจอริยมรร ปฏิยาสุบาทอะไรพวกนี้ยจะเข้าใจได้ไหมที่ที่นํามาที่มานํามากล่าวทั้งหมดเข้าใจได้ไหมได้ถ้าแปลเป็นภาษาบาลีก็ตรงนี้เพื่อหมดแหละแต่เราถอดเป็นภาษาไทยเรียบร้อยละถามว่าเข้าใจได้ไหมได้เข้าใจได้นะั่นก็คือไม่มีปัญหาอันนั้นคือภาษาบาลีไม่ต้องรู้ก็ได้หลวงพ่อเทียนท่าไม่เคยไเรียนบาลีถ้ายังบรรลุทําได้เลย <c oughs> นะบางทีเราอาจจะรู้มากกว่าท่านได้ไดซ้ําไปบางคนนะ ในแง่ของภาษานะในการแยกกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็ได้กล่าวไปแล้วเนาะไตอบไปแล้วในต่อมาเวลาปฏิบัติทำสองอย่างปนกันรู้สึกกายเคลื่อนไหวกับลมต้องทำยังไงความจริงจิตเนี่ยมันมีขณะเดียวแต่ทำไมจึงรู้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหู ฟังอะไรก็ได้ยินอยู่รู้เรื่องด้วยแล้วก็ตาก็เห็นอะไรเป็นอะไรด้วยจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ทุกอย่างรู้เรื่องหมดทำไมคนเดียวเนี่ยเขียนหนังสือไปกระดิกเท้าไปแล้วก็ทำเพลงไปใช่ัหมขับรถไปรับโทรศัพท์ไปได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยมัน มีความถี่ที่สูงมากหมุนสมมติว่าในวงกลมเนี่ยมันมีจุดที่ต้องแตะเป็นร้อยจุดเวลาตัวนี้มันหมุนมันก็แตะทั้งร้อยจุดร้อยจุดนี่แตะถูกแตะเมือไหร่หมดเหมือนว่าแป๊บเดียวแค่นั้นเองพอมันหมุนอย่างไฟเนี่ยก็คือความจริงมันไม่ได้สว่างแบบนี้นะใช่ไหมมันกระพริบตลอดเวลาแต่เนื่องจากความถี่มันสูงมากเสมือนว่ามันสเทืนอะ นี่ที่ว่าอิริบทบทบางทุกคนตรงนี้เองเพราะความที่มันไหลลื่นเราก็นึกว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าความถี่ของการรับรู้ของจิตมันสูงดังนั้นแค่ยกมือแล้วรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ยากเลยแค่สองอย่าง <c oughs> แต่ความจิตความจริงความสามารถของจิตมันสามารถรับรูท้ทีเดียวเป็นตั้งหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมัน มันรับรู้ได้หมดทันทีในเวลาเดียวกันนะเพราะอะไรเพราะความถี่มันสูงไฟนี้แค่สามพัวนวิฟลิควิซี่แค่สามฟันว้นต่อวิไฟก็สว่างมากแล้วใช่ไหมแค่พันแรงเทียนนะ 3, เนี่ยสามันแรงเทียนแรงเทียนหนึ่งก็คือวนอ้นหนึ่งทีนี้ก็อันสุดท้ายนะ ปริวัติสามอาการสิบสองแปลว่าอะไรเอฟบอกไปแล้วเนาะปริวัติสามนี่เนาะสามก็คืออะไรอย่เช้าก็พูดถึงอยู่องสามอะ <c oughs> กายวาจาใจแต่ว่าปริวัติสามในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรท่านให้รู้สิ่งเดียวสามวาระเช่นขณะที่ <c oughs> ก่อนที่จะนั่งเนี่ยความหนักที่ตะโภกปรากฏไหม ย, ยังไม่ปรากฏใช่ไหมอพอเริ่มยน ก้นไปปั๊บเนี่ยความหนักปรากฏนิดๆพอ น, นานๆไปหนักมากขึ้นใช่ไหมแต่พอยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งความหนักหายไปให้รู้สาวะละก่อนที่มันความหนักปรากฏขณะที่ความหนักปรากฏเมื่อความหนักนั้นหายไปแล้วขณะที่ความคิดเริ่มปรากฏขณะความคิดปรากฏชัดเป็นเรื่องเป็นราวและตามรู้จนความคิดนั้นดับไปนี่เลยว่า ปริวัติสามอาการสิบสองก็คือทุก์เกิดขึ้นจะความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้รู้ที่มาของทุกข์ก็ให้รู้สามรอบการดับทุกข์ก็ให้รู้สามรอบก่อนที่จะดับขณะดับแล้วหลังดับและวิธีการดับทุกข์ก็ให้รู้สามรอบนะวิธีการที่จะซ้ําทําซ้ําซ้ําแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้รู้สามวาระดูแลสามสี่เป็นยังไง เป็นสิบสองใช่ไหมปริวัติแล้วเป็นสิบสองสามอย่างเนี่ยปริวัตรเราเป็นสิบสองนะรู้กายก็สามรอบรู้เวทนาก็สามรอบรู้จิตก็สามรอบรู้อารมณ์ก็สามรอบก็สามสิบสองเหมือ 3, 4, 2, น, นกันลักษณะอย่างนี้นะ <c oughs> อืันนั้นเองกายในกายจิตในจิต อ, อ๋นี่เป็นภาษาี่ะ ภาษากายในกายกายเยกายยานุปัชชีวิหาราติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายแล้วตีใจตรงนี้เนาะ เ, นเรื่องภาษา น, นี่ยเห็นบางคนไอ้กายในอย่างหนึ่งกายนอกอย่างหนึ่งก็สับสนอีกละเอาเรื่องภาษามาตีเป็นประเด็นมันมันไม่จําเป็นนะเป็นเรื่องเยื่อเยอืเ่อเรื่องสับสนเพราะฉะนั้นในการตอบปัญหาไว้คืนนี้แต่ละวันที่ปฏิบัติกันแล้ว หลวงพ่อหรืออาตมาไม่มีโอกาสไปสอบประลงไปคุยด้วยก็อยากให้ปล่อยให้แก่อารมณ์เราเองหาคําตอบตัวเองถ้าหากว่าคําหาคําตอบจากครูบาอาจารย์ไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงคําตอบที่แท้จริงอยู่ในเราทุกคนแล้วแต่เราต้องค้นหาเองถ้าเราค้นหาคําตอบตัวเองเนี่ยมันจะเป็นกุญแจให้รู้คําตอบตัวต่อไปได้แต่คําตอบนั้นถ้าพระอาจารย์ตอบซะก่อนเนี่ยพอไปเจอคําตอบใหม่ก็ถถวใหม่แล้วทีนี้ตอบไม่ได้ เพราะมันไม่มีทักษะการที่แก้ปัญหาบ่อยๆมันจะเกิดทักษะเกิดชานิชํานาญเหมือนกับคนขับรถอะพอมันแก้รถเองบ่อยๆรถเสียบ่อยๆแก้บ่อยๆในที่สุดมันกลายเป็นช่างซ่อมรถอะใช่ไหมไปที่ไหนก็สบายแล้วไม่ต้องไปหาช่างละซ่อมเองนี่คือการการที่เราปล่อยให้กันทํายาวๆนี่ไม่ใช่พ่ออาจารย์ไม่สนใจนะแต่ว่าอยากให้เราทําเพื่อให้รู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ถ้าอาจารย์ไปบอกเสียหมดปัญญายมก็ไม่เกิดใช่ไหมก็ให้ทำอย่างเวลาทำไปมันเบื่อเปิดเกิดคว้ชันแล้วใช่ไหมเกิดปัญหาละ่ะหาคำตอบคำตอบได้ไหมว่าเบื่อจะจะแก้ไขอย่างไรเบื่อเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตั้งประเด็นขึ้นมาเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์มีที่มาไหมว่าเบื่อเกิดจากอะไรสมุทัยนะ เบื่อต้องมีสมูทไทยเหตุให้เกิดเบื่อคืออะไรหาละเหตุให้เกิดเบื่อเพราะเราซ้ำซากอยู่ในทุกขเวทนานานเกินไปดังนั้นก็เอาทุกขเวทนาออกบ่อยๆความเบื่อก็หายต่อไปเราก็ระวังที่จะไม่ให้ร่างกายเนี่ย เ, เกิดทุกขเวทนาแช่นานเกินไปเพราะแช่นานเกินไปมันความเบื่อ เ, เป็นอาการของกายหรือของรูปเป็นอาการฟูรูปหรือข้องนามเป็นอาการของ นามความรู้สึกหนักไม่สบายที่กายเป็นอาการของรูปแต่เราไปแช่ในความสบายนานๆอาการของรูปแปลเปลี่ยนเป็นอาการของนามคือความเบือ่อความเบื่อมันเจ็บมันหนักที่ใจแต่ความรู้สึกไม่สบายมันหนักที่กาย น, นี้คือวิธีปัญหาเกิดตลอดใช่ไง่วงงง่วงเป็นปัญหาอีกแล้วใช่ไหม ง่วงเป็นผลง่วงเกิดจากอะไรเราไปแช่ในความสบายนานเกินไปเพราะนั้นเราก็ต้องขยับเอาความสบายออกพอจากความสบายออกการตื่นรู้เข้ามาความง่วงก็ไม่เกิดถึงเกิดก็ด้วยเหตุอื่นๆกินข้าวมาออกเกินไปเมือ่อคืนที่นอนไม่หลับถ้าไม่เกิดจากการที่เราแช่นะอันนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งนะเพราะปัญหาในรูปเนี่ยมันจะอาศัยเหตุเกิดอยู่สีอย่างหนึ การกระทาที่ไม่พอดีนักเกินไปเบาเกินไปสองจิตอารมณ์ที่ไม่พอดีคิ้มากเกินไปเงียบเกินไปสงบเกินไปสอากาศที่ไม่พอดีเย็นเกินไปร้อนเกินไปอับอ้าวเกินไปไม่สบายสี่อาหารที่ไม่พอดีกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปหิวใช่ไหมกินน้อยเกินไปก็หิวกินมากเกินไปก็อิ่มไอความไม่พอดีทั้งสอย่างนี้กรรมจิตอุตูอาหารจึงทําให้เกิด เวทนาทางกายเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดตลอดแต่เราจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่นักก่อปัญหาแต่ปัญหามันเกิดโดยอะไรอ่ะไตรลักษณ์เนาะมันเกิด อ, อยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ขณะมันเกิดเนี่ยได้ตามรู้ตามแก้ตามรู้ตามแก้ตัวที่จะไปตามรู้ตามแก้คืออะไรก็คือสติสัมยาติที่เรา เพียงสั่งสมนี่ไงนะยกมือสร้างภาวะการเคลื่อนไหวนี่เราทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติสมมัมปชัญญะ <LEGO. S 1> และปัญญาเพื่อที่จะไปจัดการกับปัญหาเกิดจากโกฎของตรายรักอ่าเพื่อไม่ให้มันกลายว่าเพื่อม่ป้องกันไม่ให้โกฎไใจรักที่มันก่อกินกายเนี่ยไม่ให้ไปไปก่อกินใจอีกถ้าไปก่อกินใจแล้วมันรักษายากแต่ก่อกินกายนี่มันเปลี่ยนง่ายใช่ไหม แล้วก็ตามแก้ตัวนี้ง่ายกว่าแต่ปล่อยถ้าสติสัมยาไยพพอก็หลงลืมตัวตรยลักษณ์ที่มาอยู่ในกายลืมแก้ลืมเปลี่ยนใช่ไหมมันก็เข้าไปกินจิตของเราทําให้เราต้องคิดต้องเบือ่อต้องนายต้องเซ็งต้องไม่พอใจคุณมัวเศร้ามองไปสารพัดก็ปัญหาไปจากกายนี่เองทําไมจึงเกิดเพราะเราแก้ไม่ไมทันทำไมจึงแก้ไม่ทันเพราะสติสัมยยพที่เราสั่งสมเนี่ย ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่ใส่ใจไม่รักไม่ขยันทำไม่บากบัน่นเราก็ไปแก้ตรงนั้นฉะนั้นเองเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกทางไว้หมดแต่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทำตามนั้นก็สมควรที่จะเป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมเราจะไปอ้างเกิดมาผิดพ่อแม่ไม่ได้สร้างบุญให้มาคนนั้นทำเราคนนี้ แก่งเราคนนี้เป็นเรื่อง XQ เรื่องอ้างข้างนอกเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นก็ขอให้เราได้มั่นใจว่าทุกคำถามมีคำตอบอยู่ในตัวเองถ้าเราไม่ขยนันหาคำตอบเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้เราก็จะไปพึ่งแต่คนข้างนอกมาแก้ปัญหาให้เราเลื่อยไป เราก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไม่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถนะเราก็จะไปพึ่งแต่คนอื่นในที่สุดเราก็กลายเป็นธาตุรับใช้เพราะเราไปพึ่งเขาใช่ไหมเขาก็ต้องใช้เราเราวทีนี้ทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะนั้นอยากจะพึ่งตัวเองได้ไม่คนไม่ไม่ไม่มีใครมาเป็นเจ้านายเราไม่มีใครมาบังคับข่มขี่น้ําใจเราเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ ดังนั้นพทศศาสนาต้องสอนให้คนเองพึ่งตนเองได้ไม่ว่าวนะระดับประเจกชนชุมชนสังคมประเทศชาติแต่ว่าเราก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้มากนักเพราะเรายังไม่ได้เป็นวันนั้นได้สัมมนากันที่เชียงใหม่เรื่องของโครงการ GNH นะ Cross National Happiness ในปูหานั่นนะ ที่เขาจะมาลงถึงเมืองไทยแล้วไปทำเวิร์กช็อปแต่ว่าดีอย่างว่าเขาเริ่มต้นได้กับผู้ถานนี่เขาพวกกลุ่มของแคนาดาของผู้ถานเขาก็จากเอาลงเรื่องเนี้ยมารวมกับเอ็นเมืองไทยอยากทําที่เมืองไทยว่าเป็นชาวพุทธในเปอร์เซ็นสูงเหมือนผู้ถานก็มาทําเรื่องเนี้ยเขาถามว่าเอพุทธศาสนาน้เข้าสิบเปอร์ซ็นทำไมมีปัญหาเยอะจัง ปัญหาเรื่องอุทยานปัญหาเรื่องกงกินคอร์บิชันปัญหาเรื่องค้ามนุษย์โสเพณีปัญหาเรื่อ ง, กงกรอเรื่อ ง, อ ง, อองลงเรื่องสารเรื่องไม่ตรงไม่ซื่อมุสากันนี่นะแล้วปัญหาเรื่องยาเสพติดทุกข้อเลยนะครบเลยนะวายวิเคราะห์กันไปคนมาว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยมันมีหลายระดับหนึ่งเทคชั่นบุริซุม พ่อติดตำลาสองอินเทเลเจนต์บุริซึมหรืออินเทเลชั่นบุริซึมพวกปัญญาชนอ้างว่ารู้แล้วรู้พุทธศาสนาหมดแล้วแต่ทำไม่ได้สามเทเชนูบุริซึมเอาตามขนบมรทมเนียมประเพณีเดิมคาเชโรบุริซึมนะตามประเพณีตามธรรมเนียมตามวัฒนธรรมเดิมโดยวัฒนธรรม แล้วที่หนักที่สุดคือคอนเซอร์วัตฟบุ h ิซึมพวกนี้แค่ยากที่สุดพวกนี้เป็นอะไรพูดแล้วเข้าเนื้อตัวเองนะเนาะเข้าเนื้อตัวเองไม่ว่าตั้งแต่เจ้าวาดยันสมเด็จจักรราชนี่นนะคอนเซอร์วัตฟบุิซึมต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนี้มันผิดพุทธศาสนาวงเล็บไทยอย่างนี้นะนี่เขาเรียกคอนเซอร์วัตฟแล้ว เรียววุริสุ่มหรืเพียวเขาต้องการเพียววุริสุ่มอะเจ้าที่ไหนนะเราอย่างนี้ไม่ถึงสิบเปอร์เซนเราคุ้นว่าแต่พูทธานเขาเก้าสิบเปอร์เซนต์เขาได้แต่ของเราเป็นร้อเปอร์เซนต์อย่างที่ว่ามาเป็นแสิเอร์แปดสิบเปอร์เนตอะแต่เราไม่ถึงสิบเปอร์เซนเป็นเพียววุริสุมเป็นเรียววุริสุมนะคิดไหมเพราะฉะนั้นดีใจที่พวกเราเริ่มเป็นเรียววุริสุมเพียววุริสุมคือมาทําวิปัสนา ถ้าเริ่มทำวิปัสนาเราเริ่มเป็นเพียวบุดิษละเป็นเพียวบุดิษคือหมายความว่ามาสนใจเรื่องนามเรื่องรูปถ้ามีรูปอยู่ยังไม่เพียวใช่ไหมถ้ามาสนใจเรื่องนามก็เริ่มเพียวละคือมาสนใจโดยสภาว ะ, ะสมมุติว่าเราโกโรธคนนี้เราแทนที่เราจะด่าคนนี้เราไปด่าอะไรด่ากิเลส <c oughs> อย่างพุทธเจ้า จะด่าคนเนะ่ะถ้าไม่ด่าคนท่านด่าที่อะไรอวิชา <c oughs> กับมิจฉาทิถีแคะนั้นท่านบอกว่าคนนี้ชั่วคนพราะจริงคนมันไม่ได้ชั่วได้เสียหรอกนะแต่เพราะมันมีมิจฉาทิถิมีอวิชามันถึงเป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปฆ่าคนใช่ไหมแค่เอาอะไรออกเอาอาวิชาออกอาอา ท, ท, ทออกค น, นัลับเป็นคนเหมือนเดิมพระองคุลีมานใช่ไหม เป็นโจรมิจาทิถฐิระดับไหนพอท่านไปแก้เป็นสมาธิธมือกายเป็นพระรหันเฉยเลยอะ่ะอันนี้คือพุทธศาสนาคำว่าเพียวคือคนไม่ได้แปดเปื้อนไม่ได้ชั่วไม่ได้บาปมาก่อนแต่ด้วยความอวิชชาที่ไม่มีใครชี้ทางเขาด้วยมิจฉาทิฐิที่ไม่มีใครเปิดดวงตาเขาไม่มีใครไปโชว์ดวงตาให้เขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราว่าเขาใช่ไหมดังนั้น <c oughs> เราจึงมาปฏิบัติวิปัสนาเพื่อแยกให้เห็นว่าเอออันนี้มันกายอันนี้มันใจอันนี้มันรูปอันนี้มันนามอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดนี่เป็นกุศลอกุศลอันนี้มันทุกข์อันนี้มันสุขแยกให้เห็นสองอย่างนี้ก่อนถ้าเราเลือกเป็นน่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นเพียวบุริศคือในภาวะที่เราต้องการคือความที่ไม่ทุกข นั่นแหละความที่ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราต้องการมีความสุขเสางหาความสุขอยู่ถือว่าเป็นเพียวบุริษะยังพ่อดังได้กล่าวตอยเช้าว่าถ้ายังเสางหาความสุขอยู่ก็คือคุณเสาะหาอะไรหาความทุกข์นั่นเองเ <laughs> พราะสุขทุกข์เปนสิ่งเดียวกันแต่มันคนละขั้วใช่ไหมอ่าเรานั่งเนี่ยเราบอกเออเราเป็นเป็นทุกข์เพราะหนักพอาะลุกขึ้นเราบอกว่าเป็นสุขใช่ไหมแล้วมันเกิดที่ไหนที่เดียวกันนะั่นนหะนะอ่าเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ก็สิ่งเดียวกัน เพราะมันเกิดที่เดียวกันนะดังนั้นในการที่เราเป็นพุทธเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งดีใจว่าต้องมาตรวจสอบตัวเองว่าเราเป็นพุทธแบบไหนเป็นเทคชันบุรีสุ่มเป็นอิเทเลชันบุรีสุ่มเป็นเค้าเชิญบุรีสุ่มหรือเป็นโลเคอบุรีสุ่มโลเคบุรีสู่มก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมลัที่พวกผีพวกขามพวกเจ้าเข้าผีถือองค์ทรงเทพพวกนั้นนะเป็น แบบนั้นไปนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวดที่น่ากลัวคือคอนเซวติบบริสุทิพวกชาวพุทธอนุรักษ์นิยมต้องเอาอย่างนี้นะฉันเกิดก่อนท่านรู้มาก่อนพุทธศาสนาเนี่ยเธอจะมารู้มากกว่าฉันเลยใช่ไหมพิธีรีตองอะไรต่างๆ่ะต้องหาเจ้าพิธีมามตรงนั้นเองโอ้เขาไปไกลกว่าเราพวกนี้นะ กล้กเราแล้วก็มาดิสคัสกันเรื่องนี้ในที่สุดเขาก็บอกว่าเราจะสร้างชุมชนชาวพุทธในประเทศไทยชุมชนโดยวัดค่า GDP แห่งความสุขเนี่ยเพราะา GDP ก็เปลี่ยนมา GNHNational Happiness ความสุขประชาชาติความสุขมวลรวมประชาชาติแทนที่จะเป็นรายได้ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติในช GDP เอาเป็นความสุขเป็นมวลรวมประชาชาติได้ไหมเอามาก็บอกว่าประชาชนชาวปูฐานของคุณมันมีเท่าไหร่เชียวแค่ <c oughs> สี 5, ่ห้าแสนน่ะแต่อันนี้มันเจ็ดสิบกว่าล้านน่ะคุณจะเปรียบเทียบก็ไม่ได้โดอถ้าคุณไปลงทีละหมู่บ้านนะทีละอำเภอนะทีละตำบล น, นะโอเคคุณทําได้แต่เราก็มีตัวอย่างเพราะพระเราสําเร็จมาเยอะแยะแต่ว่าเราไม่ได้ประกาศให้ชาวโลกรู้เพราะเรา ยังไม่มีองค์กรที่มาช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองส่วนใหญ่พัฒนาชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่พระท่านสําเร็จมาเยอะนะพาณพัฒนานะเราทํากันมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ประชาสัมพันธ์เราไม่ประกาศเท่านั้นเองแล้วก็ามาก็พูดถึงโครงการที่มาทําที่บ้านมาตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งกองทุนมาช่วยหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ทําอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เออเขาพึ่งกาสว่างในวันนี้ดังนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกัน ทีนี้เขาบอกว่าเรารวบรวมพวกเฮียววุฒิซืมทั้งหลายเนี่ยมาเป็นชุมชนแกนหลักของประเทศได้ไหมเราทําแทนที่จะทําทีละหมู่บ้านสองหมู่บ้านมันช้าไปทำระ ด, ดับภาคเลยเอาภาคไหนก่อนภาคเหนือปีนี้เอาภาคเหนือปีนี้เอาภาคอีสานปีต่อไปภาคกลางนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้พอได้เห็นกันถ้าทีละหมู่บ้านเนี่ยถ้าคุณมีป่าหย่อมเดียวเดี๋ยวอ้รอบๆเนี่ยมันเป็น มันเป็นเชื้อเพิงท่านั้นเลยอ่ะเป็นหญ้าเป็นฟางเป็นป่ากรอบหมดถ้าคุณมีป่าลเล็กๆอยู่ตรงนั้นป่านี้ไม่เหลือหรอกไฟมันไหม้ล้อมหมดไอ้ป่าที่นี่ก็ถูกไหม้ไปด้วยแหละใช่ไหมเราคืนมาช่างชุมชนเล็กๆกด้สิ่งแวดล้อมการพ น, นันเออยยาเสพติดเออยใช่ไหมรอบหมู่บ้านน่ะแล้วคุณจะช่วยไหวเหะในที่สุดเขาก็ว่าเอ้าเลยลงเวิร์กช็อปที่เลือกที่ อำเภอมทายจังหวัดลำพูนเป็นหมู่บ้านแรกแล้วก็วันนั้นที่มีการสัมมนากันก็มีชาวบ้านจากแม่ทามาร่วมด้วยว่าเขาได้รับปัญหาอะไรในบ้านก็มารายงานกันปัญหาเรื่องโรงงานปัญหาเรื่องชีวโลงไฟฟ้าชีวมวลปัญหาเรื่องโรงงานเทน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยเขากำลังต่อต้านกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เอาประเด็นนี้เข้าไปดังนั้น การเจริญสติของเราเนี่ยจึงไม่เชื่อเรื่องเล็กๆที่จะทำเฉพาะที่นี่ผลพวงที่เราลงมือแค่ยกมือสร้างจังหวะเดินโจงกระนี้มันมีความหมายมากต่อท้งประเทศและโล ก, กจะเกีกยว่าวอย่างนั้นแต่ถ้าคุณด้วยความถ้าทำมาทำแล้วเนี่ยทาด้วยความไม่ตั้งใจไม่เอาใจใส่ไม่พยายามทำความเข้าใจที่นำเสนอก็เหมือ น, นว่าเราไม่รับผิดชอบต่อ ประชาชนคนทั้งโลกเหมือนกันนะเราพูดคำโตนะเพราะเรากําลังทําประโยชน์สุขให้กับตัวเองก่อนแล้วเอาประสบการณ์ที่เราได้รับประโยชน์และความสุขจากตัวเองให้แบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างน้อยจากเรามาสามีมากลับไปบ้านต้องแบ่งปันให้ใครก่อนลูกให้ภรรยาใช่ไหมถ้าภรรยามาก็าแบ่งปันให้คนใกล้ทําให้คนในครอบอครัวใกล้ๆของเรามีความสุขอย่างเรามีเนี่ย เรามาแล้วไม่เดิตั้งใจทำไม่เดีเข้าใจอะไรกลับไปก็อารมณ์เหมือนเดิมยังบ่นเหมือนเดิมยัง <c oughs> ตื่นนอนสายนอนสายเหมือนเดิมยังเจ็บป่วยเหมือนเดิมมาครั้งต่อไปเขาบอกคุณไม่ต้องไปคุณไปกลับมาทั้งหลายเขาไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยเพราะเราไม่จริงใจต่อในการปฏิบัติของเรามันเลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องสร้างในครอบครัวของเราให้มีความสุขเพราะครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งเล็กๆของสังคม ก็เริ่มทีละจุดหลายๆจุดก็มารวมกันมันก็โตได้เวลาเราฝึกแบบนี้แล้วเราจะไปสอนเด็กอย่างไรนฝะึกแบบเคลื่อนไหวนี่นะดังนั้นเรื่องนี้เราหาวิทยากรก็อยู่เราขาดวิทยากรนะฉะนั้นะช่วยๆกันหน่อยตั้งใจปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติเพื่อระดับครอบครัวแล้วนะระดับที่จะไปช่วยระดับสังคมละ ดังนั้นถือว่าเวลาที่มีอยู่นี่เราต้องรับผิดชอบเวลาเอาใจใส่ เ, เวลานั่งไปนานๆนมันเบื่อมันเซ็งคนรจะแก้ไขอย่างไรก่อนค่อยศึกษาศึกษาเสร็จแล้วมันยังแก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์นั่งอยู่ที่นี่ถามได้ทุกคนเลยทุกองเลยเนี่ยโดยเฉพาะนินเด็กเนี่ยท่านลุกไปไหนบ้างไหมนั่งวันค่ำเนี่ยนินโนตนินนอตนิ น, นอต <c oughs> เออนั่งตรงนี้โยมสังเกตไหมท่านลุกไปไหน เาห้องน้ำห้องส้วมไปดื่มอะไรต่อข้างนอกว่างไหมไม่เห็นนะ่ะเออนั่นเขามาเป็นครูอาจารย์คือทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัส เ, เราสอนด้วย learning by doing เนี่ยทำให้ดนะูลักษณะของเด็ก<ม>เพราะว่าคุณสมบัติของเดนก็คือเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนตั้งใจนะเพราโยมพ่อเขาเนี่ย เข้าไปเป็นผู้พิพากษาแล้วปรากฏเราไปเห็นในระบบผู้พิพากษาลับไม่ได้เล่ากันเลยเรามาตั้งไอ้กลุ่มไอ้ตั้งไอ้คลิกสอนท่า น, นายได้พักหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปพาครอบครัวไปอยู่ป่าแถวพิษณุโลกแล้วลูกทั้งหมดสามสี่คนสอนเองหมดไม่ให้เข้าโรงเรียน <laughs> จบโรงเรียนมาแล้วปรากฏมันเอาตัวเองไม่รอด เขาก็เลยเอาไปฝึกตามที่ต่างๆในน็อตก็ตามแม่ไปปฏิบัติตั้งแต่แปดเก้าขวบแล้วตอนนี้เขาสิบห้าแล้วก็เลยปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ในลูกๆของเราถ้าแม่พ่อแม่ที่ฝึกไปถ้าไปทำให้ลูกเห็นลูกก็คือตามธรรมชาติของเด็กเนี่ยรับอะไรได้แบบจากการกระทำนะ จากกากระทำอยู่แล้วเขาจะชอบเอาอย่างถ้าเห็นพ่อแม่นั่งสร้างเจังหวะเดินจ ก, กลมที่บ้านเรื่อยๆเนี่ยเด็กเริ่มไปนไงเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเขาจะถามพ่อทําอะไรแม่ทําอะไรทําไปทําไมใช่ไหมนั่นโอกาสที่เราจะได้ฝึกหละนะเราก็บอกเออทาอย่างนี้มันจะสบายนะสบายอย่างไรอ่ะทําอย่างนี้แล้วหนูใจสบายหนูจะเรียนเก่งนะ หนูเล่นเก่แล้วจะเป็นที่พึ่งตรงเองได้ลองทําดูซิไหนเคยกํามือพังหนูเปล่าเขาคุยกันภาษาพ่อพแม่แม่เนี่ยนะไม่ใช่ไปทําอะไรมากกํามือเป็นหรือเปล่ากำแล้วเมื่อกี้ความหนักความเจ็บของมือของหนูมีไหมไม่มีแล้วถ้าหนูกํำแน่นๆเป็นไงกาแน่นอีกอีกแน่นอีกรู้สึกไงแน่นอีกรู้สึกสบายไหมไม่สบายไม่สบายความไม่สบายมาจากไหนเพราะหนูทํามันเองอ่า ถ้าหนูจะให้มันหายล่ะทำไงหนูก็ปล่อยมันซะสบายไหมสบายนั่นความสบายไม่สบายใครเป็นผู้ทำให้หนูล่ะง่ายๆ learning by doing อย่าจะไปสอนอะไรซับซ้อนแล้วเราก็จะค่อยๆขยายสิ่งนี้ออกไปในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราที่มีความทุกข์มีปัญหาเยอะไหมมีใช่ไหมเราก็เริ่มยิ่งเห็น หมู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องทุกมากเท่าไหร่ต้องรีบปฏิบัติมากเท่านั้นเพราะเราจะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเมื่อเรารู้สึกเบาบางสบายแล้วแล้วก็เริ่มเอาประสบการณ์ที่ทํากับตัวเองนี่แหละไปบอกให้เขาเออทำอย่างงี้นะฉันเคยทํามาแล้วอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องว่าจะต้องทํากับตัวเองก่อนตัวเองได้ผลแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์อันนี้ให้ผู้อื่นต่อไปอันนี้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะต้อเอาคําสอนของท่านมาทําให้เป็นก่อน เมื่อเป็นแล้วได้ผลแล้วถึงจะไปบอกคนอื่นไม่ใช่ว่าไปอ่านไปจําไปศึกษามาสอบผ่านแล้วมาสอนคนอื่นเนี่ยโอ้พระพเทียนพูดหนักเลยตรงนี้นะท่านบอกพวกนี้ผีสิงข้อสองสิข้อสองว่าไงไปขโมยคําพูดเข้ามาไปขโมยความคิดเข้ามาไปขโมยเออโอ้ท่านป๋าเอาบาดหนักเลยหลวงพ่อเทียนนะ่ย พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คุณเอามาพิสูจน์คุณทำตามนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าคุณทำทาตามไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปบอกถ้ า, าทำทาตามได้เท่าไหร่บอกเท่านั้นไม่ผิดอย่าทำตามไม่ได้เลยไปบอกนี่ท่านบอกมันผิดแต่สมว่าเออฉันรู้รูปนามแล้วรู้กายฉันแยกกายแยกกิจเป็นละก็ไปสอนให้เขาแยกกายแยกกิจเป็นอันนี้ไม่ผิดเพราะเราทาเป็นแล้วนะมันแค่จะเพิ่มทักษะนะ เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ได้ปัญญาระดับโลกุตตระเพื่อมาอบรมสั่งสอนตัวเองก่อนเพราะได้ข่าวว่าตนนั่นแหละเป็นผู้ฝึกยากว่ายากสอนยากตัวเองเราเองนะอย่าว่าแต่นั่นแม้แต่พระพุทธเจ้ า, าท่านสอนเทวทัศน์ได้เปล่าท่านสอนพระเจ้าอศาศัตรูได้ไหม ไม่ได้ท่านสอนฉันนะได้ไหฉันนะอยู่ใกล้ท่านตั้งแต่บวชใช่ไหมท่านก็สอนไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะสอนได้ทุกคนนะ <c oughs> พระันนะในที่สุดก่อนที่พุทธเจ้าพอดิญญผ่านพระนุนเข้าไปถามแล้วท่านจะเอาไงกับพระันะเนี่ยจนป่านนี้ไม่มีใครสอนท่านได้เลยนะท่านก็บอกว่าท่านเออท่านเพิ่งมาที่หลังผมออกบวชตั้งแต่พุทธเจ้าก่อนออกบวชพ้องพุทธเจ้าเพิ่งขึ้นมาไม่กี่วันยังพูดมากเลยในท้องนี้นะ แล้วใครไปพูดท่านไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกดูการนนท์เธอพึงลงรภ ม, มาทันแก่ฉันนะแล้วในที่สุดฉันนะจะเปลี่ยนนิสัยเองคำว่าพร ม, มาทันคืออะไระในสมัยนี้เขาใช้ก็บอยคอร์ด <c oughs> ไม่พูดด้วยไม่คบด้วยไม่ อยู่ด้วยไม่อะไรด้วยอ่ะปล่อยตามเรื่องตามราวนะเดี๋ยวมันสํานึกเองลูกของเราบางคนก็พูดไม่อย่าว่าไม่ฟังในบ้านนี่นะอะทำตามมันเลยแต่ว่าจะมาเอามีอะไรอย่ามาขอเงินฉันนะฉันไม่ให้เแล้วอย่ามานอนบ้านนี้ด้วยอย่ามากินอย่ามากินข้าวบ้านนี้ด้วยเจอแบบนี้อยู่ไม่ได้เด็กนะนี่เขาเรียกว่าบ่อยขอดละฉันน่าก็อย่างกันอย่ารับเข้าวมูอย่าพูดด้วยอย่าคบหาด้วย นี่นั่นคือวิธีการนะสำหรับดัดสําหรับคนที่ไม่เอา <c oughs> ดังนั้นการปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยขอให้เราเริ่มต้นง่ายๆเอาสิ่งที่มันปรากฏอ่าอะไรที่มันปรากฏในตัวเองเนี่ยให้ดูสิ่งนั้นเป็นหลักไม่ต้องคิดเรื่องบาลีเรื่องสตรีประฐานสูตรเรื่องอไอมรเรื่องโพุทธชงเจต ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวเลยเพราะอันนั้นเปลือกมันเปลือกมันแต่เราต้องการเนื้อมันเนื้อปรากฏละก็คือขณะนี้มีความรู้สึกสามอย่างเนื้อๆใช่ไหมเราก็เอานั่นแหละมาะเฝ้าดูมาวิจัยเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ดังใดดับไปพลิกไปเปลี่ยนมาพลิกแล้วมันเบา นั่งลงไปมันหนักลุกขึ้นมันสบายออตอนแรกก็ดูที่กายก่อนนะสบายกายเอ๊ะสักพักนึ่ใจชักมีปัญหาอะไรใช่ไหมคิดนั่งฟังนานๆเดินนานๆเบือ่อมีไหมมีปัญหาอะไรใช่ไหมเดินไปนานๆปุงแต่งเดินไปนานๆง่วงมันก็จะมีอย่างนี้ให้เห็นมาเรื่อยๆการเห็นทุกข์คือการเห็นธรรมใช่ไหม ถ้าไม่มีทุกข์เราจะเห็นทาได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่อยากปฏิบัติด้วยไม่มีทุกข์ปฏิบัติเพาไมแต่คำว่าทุกข์ในที่นี้ต้องทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ทุกขารักษณะหรือทุกข์ในในข้างนอกทุกอริยสัจหมายถึงทุกข์ที่มันเข้าสู่จิตแต่ทุกข์นั้นอยู่ที่กายไม่ถือว่าเป็นทุกข์นั่นคือทุกขักษณะทุกข์ในตรลักษณ์รู้วิธีบำบัดเองโดยที่ไม่ต้องสอน พว่าแม้แต่หมุงหมากรไก่มันก็บำบัดของมันเองเวลามันหิววิ่งไปหาหกินเวลามันอยู่ที่ไหนนานมันก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยมันก็บำบัดทุกข์ของมันเองเวลามีภัยขึ้นมาก็วิ่งห น, นีเนี่ยทุกข์โดยทางกายเนี่ยโดยปัญญาระดับสัญชาตญาณแก้ไขได้แต่ทุกในอดาเดชสัตว์คือทุกที่เราไม่มีสติปัญญาสามารถป้องกันความรู้สึกทางกายสามอย่างนี้ ได้อยู่แค่กายแต่มันไหลเข้าสู่จิตโดยที่เราไม่มีสติปัญญาป้องกันมันไว้ได้ตรงนั้นเป็นทุกข์ที่เป็นสมุทัยคือเห็นให้เกิดทุกข์ได้แก่ตั้งแต่อภิชาและโทมนัตที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมกายเยกายานุปสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติสัมปะชาโนสเถรวิไนยโลเกอภิชาโทมานัตสังเรื่สองตัวนะอภิชาและโทมนัต อ, อภิชาคือความอะไร ทาติดใจพอใจเวตัวยินดีและพอใจคือตัวโสมนัสสเวิทนาเราก็ไปไม่รู้เท่าทานันไปยึดอยากจะยินดีอย่างนี้อยากจะพอใจอย่างนั้นอยากให้อยู่นานๆก็เกิดอภิชาเข้าไปชอบใจและติดใจท่านให้ไปจัดการกับตัวนั้นเป็นสมุทัยนะ ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือทำแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเพิ่มกำลังของสติสมญาณเนี่ยให้มากขึ้นได้อย่างไรเมื่อสติสมญาณมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะไปแก้ไขเจ้าสองตัวนี้ออกรู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจแล้วก็ทำบ่อยๆจนกระทั่งว่าสิ่งที่ว่าการกาจัดความพอใจไม่พอใจจนมันเป็นนิสยัย ว่าเมื่อไรความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นปับ๊บรู้เท่าทันแล้วก็ปรับจิตมาเป็นกลางทันทีเขาด่ามาก็ดูมาดูจิตจิตว่าไงแต่ไม่ต้องไปดูหน้าเขานะเอาใจแล้วว่าถามใจตัวเองก่อนเนี่ยเขาว่ามาอย่างเงี้ยจะเอาไงอ่าก็ดูอาการของจิตเขาชมมาโอ้คุณโอ้โหไปปฏิบัติธรรมเนาะไวขนาดนี้ยงานเยอะขนาดนี้คุณยังมาปฏิบัติทําไมทำไมเก่งจะเมื่ อ, อไร่ฉันจะทําอย่างคุณได้บ้างเงี้ยเป็นไง รู้เท่าทันไหมถ้ารู้ไม่เท่าทันเป็นแคว่าฟูอ่ะฟูะฟะขึ้นเขารู้เท่าทันอ๋อธรรมดานะมันก็จะทําให้เราจิตของเราก็เริ่มมีอะไรมากระทบกระแทกไม่ว่าเย็นว่าร้อนไม่ว่าอ่อนว่าแข็งไม่วร้อนไม่หนาวกระทบแล้วจิตของเราก็เป็นกลางอยู่เสมอและทําจิตให้รู้สึกที่เป็นกลางนี้เป็นทักษะเป็นนิสัยทําให้เป็นสกิลแล้วสกิลฟูสก l ลฟู l หม่ ทำให้เป็นเป็นทักษะเมื่อก่อนเวลาใครว่าเรามาแล้วก็สวนเลยเนาะทันทีนะ <c oughs> แต่ว่าต่อมาเมื่อเจริญสติไปเลยครับว่าเรามาทําไงก่อนยิ้มไว้ก่อนยิ้มแบบใจดีชื่อเสือไว้ก่อนดีกว่าบึ้งใช่ไหมยิ้มนี่ดีกว่าบึง้งอาการบอกว่าเออคุณนี่กบเกือนได้เก่งนะคุณนี่เสแสรงได้เก่งยังก็ยังดีกว่าบึ้งเสียคุณอนะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าศิลปะศิลปะในการรักษาจิตก็คือทำใจให้ดีไว้ก่อนไม่มีอะไรดีเท่ากับใจดีถ้าใจดีแล้วทุกอย่างไปจับดีหมดถ้าใจเสียแล้วก็ไปจับอะไรก็เสียหมดเหมือนกันเพราะนั้นไอาการที่รักษาใจให้ดีก็เอาตัวรู้สึกสองประการนี่แหละแต่ไม่ใช่รู้สึกตอนที่เกิดปัญหานะทันไหมว่าเขามาด่าแล้วตั้งสติสมยะ ขนาด น, นั้นทันไหมไม่ทันมันช้าไปเพราะนั้นที่เรามาฝึกนี่ฝึกเพื่อให้มันไปนไงมันไวถูกดา่าปั๊บปุ๊บอ่าคุมใจไว้ทันทีถูกดินทาปับ๊บถูกดูถูกเดียดยามปับ๊บดูใจไว้ไม่ต้องไปตอบสนองแต่หลังจากคุมใจให้ปกติให้เย็นแล้วอ่ะค่อยว่ากัน เขาต้องการเหตุผลโอเคอธิบายให้แต่เขาไม่ต้องการคาอธิบายคำตอบแล้วแต่คุณดูใครัวมันเนะพราะนรกไม่ได้อยู่ที่เราแล้วตรงนี้นะเขาก็ไปคิดเองแหละนั้นในเรื่องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเรียกว่าสร้างอะไรเซฟตี้เฮาส์ให้แก่ตัวเองสร้างจุดที่ปลอดภัยไว้ให้ใครได้จิตอาศัยอะไรก็เซฟตี้เฮาส์ โดยการเซฟใจเซฟความรู้สึกให้ปลอดภัยจากภัยเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรม ท, ทั้งแปดโลกธรรมมีกี่อย่างมีแปดอย่างใช่ไหมมีลาบเสื่อมยาบมียศเสื่อมยศนะค ะ, ะมีลาบเสื่อมลาบตตอไฟอะไรอีกสเสนเสือนคู่กับนินทาแล้วตาไฟอะไรอีกสุขทุก เขาไยงทั้งทั้งแปดอย่างเนี่ยย่อเหลือ ส, สั้นที่สุดสองอย่างสามอย่างได้ไหม ย, ย่อให้สั้นที่สุดเหลือโรบกดหลงหรือเปล่าคะโอ้ยาวเลยโรบกดหลงเลยนะเหลือความพอใจและความไม่พอใจแค่นั้นแหละสองอย่างว่ากันมาหลายวันแล้วยังไม่เก็ตเลยนะว่าในฝ่ายที่เป็นสุขก็เกิดจากความพอใจใช่ไหม ในฝ่ายที่เป็นทุกข์ก็คือความไม่พอใจใส่เป็นฝ่ายที่เป็นลบมันก็เป็นบวกก็คู่กันแค่สองอย่างคือลบกับบวกในที่สุดลึกที่สุดก็คืออะไรมาจากอะไรต้นตอของมันเกิดกับดับแค่นั้นเองอย่าลืมอย่าลืมหลักสูตรสูตรทั้งมันคือเกิดกับดับแล้วที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าเมื่อจำหลักสูตรนี้ได้แล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆนะคุณจะขยายเป็นแปดหมื่นสี่พันอย่าง ก็ได้แต่ไปจากของสองอย่างนี้เองก็กล่าวไว้เสมอว่าต้นไม้มีรากกับต้นสองอย่างแค่นั้นเองใช่ไหมแต่เพรามันขยายเป็นดอกเป็นใบเป็นผลอบางต้นมีเป็นเยอะแยะเลยลูกมันเนาะอันนี้ก็ฉันเดียวกันพึงจำหลักนี้ให้ได้นะจำหลักคือว่ารูป ก, กับนามกายกับใจสุขกับทุกเกิดกับดับเนี่ยเป็นของคู่กันแล้วแต่จะสมมติเรียกมันไป แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเขาบอกชาวพุทธเราไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้จะไปโทษใครใช่มถ้าเขาว่าเราไม่ดีโอเคเราไม่กแต่ว่าชาวพุทธราไม่ดีโดยรวมเนี้ยลักษณะสมมุติที่ซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างทำใจา ย, ยากเราจะว่าไงเราจะไปโกรธเขาไม่ได้จะไม่โกรธก็ไม่ได้ทำใจายากใช่ไหม สมัยหนึ่งเอามาได้รับนิมนต์ไปร่วมไ้เข้าสมอแคมที่ฝรั่งเศสของบ้านพรา ม, มวิเลนนะเมื่อสี่ห้า 4, ปีมาแล้วในวันสุดท้ายเนี่ยเขามีการสัมมนานะคนเกือบเป็นพันมั้งสัมมนาสัมมนาถึงปัญหาต่างๆเนี่ยว่าชาวพุทธ จะไม่สร้างปัญหาเหล่านี้คือไม่ผิดสินห้านี่นะพอชาวพุทธทั้งหลายในะแค่ไม่ผิดสินห้านี่ก็เยอะและ้ะแต่เรามาเช็คว่าสินห้าที่ไม่ผิดเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ที่เป็นชาวพุทธในเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วเขาก็จะไปเช็คความมีความเข้มข้นในสินห้าของประเทศนั้นที่นี่เลขาของหลวงพอ่อทีศนิฮันเนี่ยซิสเตอร์จันคงเลยนะมาพูดเรื่องประเทศไทยนะ มาโอ้โหทำใจยากนะตั้งแต่นั้นมาไม่ไปเลยนะแต่ถามว่าเดาไม่ชอบไม่ไม่ใช่แต่โอ้โหมันเราจะมาแก้ไขประเทศเรายัางไงไม่ให้ดูถูกขนาดนั้นเขาบอกว่าปัญหาอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ห้าข้อนเนี่ยเมืองไทยผิดหมดเลย <c oughs> ที่เราทําใจไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้กดเคืองเขาเลยนะมันจริงเกินไปจนเราเล่าไม่ได้นหละมัน <c oughs> จริงเกินไปเราจะต้องย้อนกลับมา ทำงานอันนี้กับประเทศไทยของเราอีกหนักหนาสาหโหดถึงจะแก้ไปแก้ข้อหานั้นได้อาจายกรเนะกงกินคอร์รัปชันเนอะค้ามนุษย์เนะแล้วก็การกฎหมายใช้กฎหมายไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมูสาไม่จริงเ่แล้วก็ค้าสิ่งสิบติดทั้งหลาย อ, อยู่ในเมืองไทยหมดเลยแต่ข้อที่หนักที่สุดเขายกตัวอย่างนะว่า ที่มันครบยังไงเขาบอกพราเขาเขาเวียดนามเนอะในสมัยที่เวียดนามแตกแล้วไฮเรือมาเข้าพึ่งประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยทําเขาโหงนางนาสั่งหุนมากเลยนะหลวงพ่อที่นั่นท่านก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยท่านว่าท่านเหมาเรือจากเมืองไทยเนี่ยเพื่อจะไปรับเอาคนที่หนีออกจากประเทศเพื่อที่จะข้า ม, มาทางเนี้ย ปรากฏไปเจอเหตุการณ์นี้พอดนะีดังนั้นเรื่องของการเจริญสติอย่างน้อยที่สุดเป็นพื้นฐานให้รักษาศีลห้าแล้วก็พอใจละถ้าไม่ถึงกับว่าบริสุทธิ์นะสินห้าใช้ได้สินห้าใช้ได้ไดคือพอดูได้นะดังนั้นในเรื่องการเจริญสติแบบนี้คําว่าสติกับสีลเนี่ย เป็นเรื่องเดียวกั น, นาการที่เราจะวิรัตหลีกเว้นอะไรเท่ามันไม่มีสติมันก็ทำไม่ได้นีนใช่คาว่าวิรัตเนี่ยเจตนางดเว้นนั้นจะต้องตั้งสติถ้าไม่ตั้งสติที่จะมีเจตนางดเว้นไม่ได้ทีนี้ในระดับปฏิบัติท่านบอกว่าผู้ที่จะเริญนวิปัสสนาเนี่ยเอาสติเป็นวินัน นะเอาสติเป็นวินยัยหมายความว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันครอบคุมวินยัยครอบคุมศีลได้ทั้งหมดแต่ขาดสติอย่างเดียวแม้แต่ศีลก็รักษาไม่ได้นะไม่ใช่ศีลก็รักษาคือรักษาศีลที่ใจเอาใจเอาสติมารักษาศีลที่ใจข้อเดียวอยู่พูดถึงเรองรักษาศีลข้อเดียวเนี่ยแต่ว่าครอบคุมได้ทั้งหมด สมัยหนึ่งในค่าพุทธกาลเน่ย น, น้องของท่านมหาบรรทก ช, ชื่อว่าจุลบรรทกคงบางท่านคงเคยได้ยินเนาะเออไม่ใช่ดิอันนั้นนี้เขาเรียกว่าพี่ชายไล่สืบเพราะท่องพุทธมนต์ไม่ได้แต่อันนี้มีพระอีกองค์หนึ่งคือเห็นว่าการอยู่เป็นพระเนี่ยโอ้โหทำไมสบายตอนเช้าก็ไปบินธบัตกลับมาฉันแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรเพื่อเรื่องบุเราสบายดีจังมัน บ้านไ่ได้เช่าข้าวม่ได้ซื้องานหนักไม่ได้ทําฉันไปบวช ด, ดีกว่าอย่างนั้นก็เลยไปบวชพอไปบวชแล้วก็ไปรักษาอะไรรักษาวินัยใช่ไหมรักษาวินัยอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทำอะไรทําไปทํามาโอ้ตอนสมัยเป็นชาวบ้านม่ไยากขนาด น, นี้เนาะทําไมอันนี้พูดเรื่องอยากจังศีลเยอยะแยะเลยงั้นไม่อยู่ดีกว่ากับไปขอศึกพระพุทธเจ้า สุขเจ้าก็ถามว่าทำไมยังสึกอ่ะโอ้ระเบียบศีนเยอะแยะท่านคงรักษาไม่ไหวละผมถึอไปไม่ต้องไปรักษาระเบียบยุม่มหยุ่มเนี้ยยากยุ่งยากไม่่ยมันเยอะเกินไปเอา้าถ้าเยอะเกินไปก็ลดเหลือให้น้อยๆเดียวลดได้เลยได้เหมือนนแล้วเธอจะอสักกี่ข้อเดียวห้าข้อพุทธจเจ้าห้าข้อเยอะไปเหมือนนเอาข้อเดียวพอพอดี <laughs> แต่ว่ารักษาให้ดีที่สุดนะขาดแล้วขาดเลยนะไม่มีข้อต่อรองใดทั้งสิ้นเอาไหมเอาทดลองดูก่อนเงั้นไปทดลองดูเจ็ดวันขอเวลาเจ็ดวันรักษาสินข้อเดียวบอกมาเลยพุยเจ้าก็บอกให้เธอมามีสติรักษาจิตในเจ็ดวันเนี่ยดูแลจิตให้ดีนะอย่าให้มันคิดไปไหนนะถ้าคิดคิดออกไปมันก็าว่าเธอผิดศีลละอย่าให้มันคิดไปในยุในกายนี่แหละ ก็ทำดูทีเดียวก็ดูกายไปทำอะไรก็ดูกายไปเรื่อยๆไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกไปทำไม่ออกไปคิดเรื่องอื่นเพิ่งจะทำอะไรอยู่ก็เอาสติเฝ้าดูรักษาใจให้มันให้มันอยู่ในกายเนี่ยทำอยู่เจ็ดวันปาบอกว่าจิตมันรวมพอจิตมันรวมแล้วอวิชชาที่มันมีมานานมันระเบิดปุ้งออกมาสว่างว่าขึ้นมาเลยอวิชชาระเบิด ในที่สุดเห็นตัวรู้ตัวอารบทสว่างหายสงสัยหมดว่าอะไรเป็นอะไรเกิดปัญญายานเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพุทธเจ้าไม่ขอศึกแล้วเพราะงั้นเอาทำไมรู้แล้วว่าสินที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคือการรักษาใจนั่นเองรักษาข้อเดียวพอเพราะงั้นเป็นไปได้ไหมเม็กเซนไหมเมกเซน <laughs> เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องไปวิตกกังวลใ น, น, นเรื่องของว่าจะต้องมีศีลมีระเบียบกฎเกณฑ์เท่านั้นไม่ใช่ไม่รักษาเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่มันจะไปละเมิดหรือไม่ละเมิดใครเป็นผู้ละเมิดใจของเราใช่ไหมถ้ามีสติรักษาใจโดยที่ไม่ไปละเมิดก้าวล่วงในเรื่องต่างๆในสิ่งที่มันดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราไ ม, ม่เข้าไปละเมิดก้าวล่วงมันก็จิตก็ปกติ เมื่อใดจิตผิดปกติโดยปรมาถือว่าผิดศีลเพราะศีลแปลว่าปกติใช่ไหมนิจศจีลเนี่ยศีลที่เป็นนิจศีลที่เป็นปกติของจิตปกติศีลก็ได้นิจศีลก็ได้เป็นปกติเมื่อจิตของเราปกติแล้วนั่นแหละถือว่ามีศีลสมบูรณ์ละถ้าปกติจิตเนี่ยมันจะไม่มีความพอใจไม่มีความเสียใจ ไม่มีความน้อยใจไม่มีความอหดหอหดเหีห่ยวด้านจิตใจจิตใจเขาพวกเราเขาปกตินั่นมีศีลดังนั้นการที่เราจะรักษาจิตให้ปกติได้เนี่ยจะต้องมีตัวรักษาก็คือตัวสตินี่เองอเรากล่าวว่าเป็นศีนลดังนั้นในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเวลาจะทําอะไรก็ตามรู้ดูคาว่าดูจิตเอ๊ จิตมันไม่มีตัวตนไปดูได้งไงหลวงเห็นขึ้นแ่อวก็ผูก ข, ขึ้นว่าดูกายเห็นอะไรเห็นจิตดูกายเห็นจิตถ้าจะรักษาจิตก็รักษาอะไรรักษากายดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทาถ้าจะดูถ้าจะอยากจะเห็นทาให้ดูที่ว่ามันคิดอะไรวันนี้คิดกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างถูกหรือผิดดีหรือชั่วดูไปเรื่อยๆดูคิด จะไปเห็นอยากจะเห็นทำแต่ไม่ความคิดอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นยังไม่เคยเห็นมาเลยจะไปเห็นทำได้ไหมก็ไม่ได้นะดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นประมัดอ่าอยากจะดูประมัดดูการกระทําของตัวเองว่าใครเป็นผู้สั่งให้ทําใครเป็นผู้สั่งปากให้พูดใครผู้ผู้สั่งมือให้ทําใจอ่านะ ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นประมัติหมายความว่าดูการกระทําแล้วไปเห็นประมัติคือจิตดูกายไปเห็นประมัติคือความาไม่ความรู้สึกของจิตเนี่ยดูอริยสัจเห็นนิพพานอ๋ออันนี้ทุกอันนี้ที่มาของทุกเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือปัญหาที่มาของปัญหาคืออย่างนี้นะก็ดูตรงนี้ไปเรื่อย แล้วกแก้ปัญหาจบอันนั้นก็ดูนิพพานก็อยู่ตรงนั้นเห็นว่าปัญหาคือตัวเกิดใช่ไหมแล้วก็มีสติเข้าไปแก้ปัญหานั้นดับก็รู้การเกิดดับรู้การเกิดดับแล้วจิตมันก็รวมน่าปัจจุบันอ่าพอจีทรวมปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้ไววอกแวกวันไหวอะไรที่อื่นก็ทําให้ตัวโลคุตระปัญญาปรากฏนะแต่สําหรับวันนี้เคลียร์ปัญหาที่ถามมาเบื้องต้น แล้วก็ประเด็นต่างๆที่เราจะต้องประยุกต์ใช้คำว่าสติในครอบครัวอย่างไรในสังคมอย่างไรและในโลกอย่างไรแล้วทีนี้การที่จะรู้สติได้ก็ารลุอาการทั้งสามอย่างและปริวัติสิองเนี่ยอาการสบายไม่สบายแล้วเป็นกลางดูให้เห็นทสามรอบก่อนความสบายจะเกิดขณะเกิดความสบาย แล้วหลังความสบายผ่านไปก่อนที่ความไม่สบายจะเกิดขณะความสบายไม่สบายมันเกิดและขณะความไม่สบายกําลังดับหายไปก่อนที่ความเป็นกลางของจิตจะเกิดหรือของกายจะเกิดขณะที่มันเป็นกลางลักษณะเป็นและความเป็นกลางหายไปเพราะอะไรเนี่ยเรียกว่าปริวัติสามหาว่ายากไหม ถ้าสมมติว่าเลขข้อไหนยากๆเนี่ยถ้าเราทำมันกลับไปกลับมาสักสิบครั้งเนี่ยมันจะยากต่อไปไหมเออง่ายเลยทีเนี้ยที่เราทำท้ำซ้ำซัก ซ, ซ, ซากนี่เพราะอะไรเพราะมันยากแต่ทำหลายๆครั้งแล้วมันจะคล่องในอะไรปัญหาอะไรที่มันยากพยายามดอกย้ำซ้ำดูซ้ำศึกษาในเรื่องนั้นๆบ่อยๆที่เราทำไมต้องยกมือบ่อยๆเนี่ยเพราะบางทีมันติดปัญหาข้อหนึ่ง ว่เาเอ้ความคิดมันเกิดมาได้อย่างไรเกิดเกิดได้อย่างไรเนี่ยก็เฝ้าดูการเกิดของความคิดในขณะที่เฝ้าดูเนี่ยเราก็ยกมือไปด้วยขณะที่เรา่าดูว่าไอความคิดมันเกิดอย่างไรก็ดูไปด้วยวันเกิดเดี๋ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวปับ๊บมันจะรู้ดูครั้งที่หนึ่งไม่รู้ครั้งที่สองไม่รู้ครั้งที่สามรู้ไปร้อยครั้งเนี่ยมันจะรู้ครั้งหนึ่งนะอ่าปัญหาข้อที่สองเกิดมาอีกแล้วก็ เพราะนั้นการที่เราทําซ้ําๆเนี่ยเพื่อที่เราจะได้หาคําตอบของปัญหาที่เกิดเพราะปัญหามันเกิดแล้วตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเวลาอ่านั่นแหละเราก็ทําซ้ําเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นคําตอบของปัญหานั้นเราขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจเหลือเวลาไว้15นาทีเพื่อไปฝึกซ้อมการนอนหลับได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะขออนุโมทนาให้เราทั้งหลายได้มีสติ สมัญญะและปัญญาสามารถเข้าใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดอย่างทะลุปลูกป่งในเวลาอันใกล้นี้ด้วยคนทุกท่านถิน